บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านประโยชาวาจารทั้งหลายสําหรับตอนนี้คงจะเว้นการจากเรื่องขมรกเพราะว่าเรื่องขมรกรก็ดีเรื่องของเปรกก็ดีอสุรกายและสัตว์เลี้ยฉันก็ดี ที่เล่ามันแล้วเพื่อเป็นตัวอย่างกบับบรรดาท่านหาั่นไหลต่อตอนี้ไปก็จะนําเอาเรื่องเขาบุคคลตัวอย่างเห็นจะเป็นการเรื่องรวมเรื่องของคนบ้างเรื่องของเทวดาบ้างดีไม่ดีก็เรื่องเ ข, งขงาพระอรหันต์บ้างมาเล่าสู่กันฟังโดยการเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ขอได้โปรดทราบ ว่าไม่ใช่เป็นการเล่านิทานสู่กันฟังหมายถึงว่าเอาพระธรรมคา ส, สอนเขาองสมเด็จตุสมาสัพพุทธเจ้าที่ไป็ูพุทธเจ้าเทศแล้วมีผลแล้วสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามเอามาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นเรื่องบางเรื่องทเทนว่าไม่ยาวนักจะ จ, จะพูดมาก ยาวกว่าเรื่องก็เพื่อผลประโยชน์ในการรับฟังและการปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้มีความทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหาคุณนาที่คุณตัวชาวโลกเพียงใดและพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ใครจะช่วยโลกให้เป็นสุขที่บรรดาคนทั้งหลายบางท่านบางพวกบางเ่า เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นภัยของสังคมบ้างหรือว่าพระพุทธศาสนามีอระมาณม่อกาวฝากไม่มีความหมายไม่ได้ช่วยอะไรกับชาวโลกตอนนี้ไปบรรดาท่านัหลายจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลก ในแนวของเระสูตรเรื่องนี้สำหรับคราวนี้จะนำเรื่องของพระจกขู่บานมันเล่าสู่กันฟังตามพระบาลีทั้งขึ้นคำปุถุชาว่านีพระธรรมเทศนาพระองค์สุนเดทุสัมมาสัมพุทธเาสุตรัส ว่าทำทัางหลายมีใจเป็นหุนหน้ามีใจเป็นเสกเสกสุดมีใจเป็นใหญ่สมร็จด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจร้ายหรือใจเลวจะพูดคนดีจะทำก็ดีก็มีแต่ความร้ายมีแต่ความเลวมีทุกติดตามเขาตลอดไปเพราะเหตุนั้น องสมเด็จพระจอมตรายรงกล่าวว่าเหมือนกับล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปสู่ฉะนั้นพระพุทธภาสิทธิฟังกันจริงๆแล้วไม่ค่จะรู้เรื่องท่านมีความหมายว่าคนเรานี่จะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ใจตัวเดียวถ้าใจของเราดีวาจาก็ดี ความประพฤติทางกายคนดีถ้าใจเลววาจาที่กล่าวไปคนเลวกายกระทาก็เล ว, เลว <c oughs> แต่เหมือนว่าท่านบอกว่าถ้ากายวาจาเลวด้วยว่าใจเลวไ <c oughs> ม่ก็ลอรถที่หมุนไปตามเท้าโคหมายกวามโคมันมันลากเกวียนลากรถ เมื่อโคมันเดินไปล้อมมันก็หมุนตามไปอาการหมุนตามไปของความเลวของจิตใจที่ทําให้วาจาเลวกายเลวมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าคนที่มีใจเลวนี่มีแต่อารมณ์เป็นทุกข์ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นี่เป็นความหมายของพระพุทธภาษิติธรรมมาแล้ว ตามท่านบาลีทึ่กล่าวไปประกอบต่อไปว่าดังนี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตัดแล้วณที่ไหนตอนก่อนเขถามว่าที่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ตัดที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ท่านจะบอกว่าวิสัญนาคิตอบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงตรัสที่กรงสาวตถี แล้วก็มีคําถามต่อหมาว่าถามว่าพระองค์ทรงปรารบใครเป็นเหตุมีคําตอบตามลำบาลีว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกะเชษฐทรงปราบรบพระจักขุบาลเป็นสําคัญในระดับนี้ตามลำบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าดังที่ได้สดับมาแล้วนี่เป็นถ้อยคําของท่านนน พระนนท์ท่านตอบพระมาหากระสบในการท ร, รมฐมสังขายนาให้กล่าวว่านางได้สันดับกันแล้วในกรุงสาวาทีมีกุดุมพีผู้หนึ่งมีนามชื่อว่ามหาสุวรรณคำวมาหานี่ไม่ใช่ประเรียนที่สอบได้นะมหาปลายใหญ่ ถ้ามีนามว่ามหาสุวรรณเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่ถ้าว่าไม่มีลกูกเออมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่จนลูกเนี่ยมันก็ยุ่งหมกันน่ากรัวแกจะขี้เกียจขี <c oughs> ้เกียจหรือว่าขยันไปนอกบ้านเกินไปมากเกินไปน้ากลัวคนมีทรัพย์มากที่ขยันนอกนอกบ้านในบ้านเลยไม่มีลกูก เวลานั้นว่าแกไม่มีลูกกันแล้วกันให้กล่าวต่อไปว่าวันหนึ่งท่านมหาเศรษฐีไปสู่ที่อาบน้ำคือท่าน้ำเมื่ออาบเสร็จแล้วก็กลับมาเห็นต้นไทรใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นแซ่เห็นว่าต้นไม้ใหญ่เป็นเจ้าไ่าหรือเจ้าป่าหมายว่าต้นสูงสุดในเขตนั้น มีกิ่งก้านสาขาสมบุรณ์มากได้อยู่ในระหว่างทางที่ผ่านไปอาบน้ําทุกวันแต่ความจริงจะไปอาบทุกวันนั้นไม่ได้คิดต้นไม้นี้ก็ตั้งมานานแล้วไม่ใช่ไปมีใครเขาจะมานํามาตั้งในวันนั้นแต่ก็ไม่ได้เคยคิดวันนี้กลับคิดคิดว่ามีประโยชน์ยิ่งคิดว่าต้นไม้นี้คงจะมีเทวดาผู้มีเสียงสักดาใหญ่เสียงสถิตอยู่ เมื่อดำลิกอย่างนี้แล้วยิงให้คนใช้ชำระสะสางถากถางโคลต้นทรให้เรียบร้อยทำให้สะอาดทำเป็นรั้วแล้วก็เกลี่ยทรายยกทงงายยกทงยกก็ไรปาตาปตากะเอาเขาแล้ว ก็ยกธงก็แล้กันปักธงเรยียงรายร้อมรอบทําทั้งฉัตว์ทังทองตกแต่งให้สวยบูชาต้นไม้ยังนี้เขาเรียกว่าอะไรลุกขังสนังข้ามิพระพเจ้าขอถึงต้นไม้ปีนี้พึ่งต่อจากพุทธังธมังสังขังสนังขจ า, ขามิก็ใช้ได้เพื่อนั้นว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงตรัส ยังไม่มีพระพุทธเจา้ามีแต่ธนาจาร์ต่างๆจะหาว่าแกทำมีลุยช่วยแจกนะับเพลสองเดชไปก็ไม่ได้แ่ก็มีเหตุมีผลของแกเหมือนกันดียังรู้จักคำว่าชุบดาลหลังจากทำกิจการประดับประ ด, ดาโคนต้นไม้สะอาดประดับประดาสวยสดงดงามแล้วก็ทำประวันประวัรณนนะทาทำความปรารถนาคือบ่ น, บน บนเจ้าบนเทวดาบนว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้บุตรหรือ ไ, ได้ทิดาข้าพเจ้าจะทำส ก, การะใหญ่ถวายท่านไม่รู้แก่บนอะไรบ้างแก่บนอย่างนี้มันได้โลกบาลีก็ไม่บอกให้ชัดก็ปรากฏว่าเวลานี้มีคนมาขอโลกบ่อย ขอลูกกับใครไม่ขอดันมาขอกับพระเนี่ยมันยุง่งพระใครก็สร้างลูกได้แต่ชอบก็ขอลูกกับพระบ่อยๆใ้ตาเศรษทีนี่ไม่รู้แกบนท่าไหนก็ได้ลูกบลีทึงก็ไปบอกแล้วก็ขอผ่านไปแก บ, บนแล้วแกก็หลีกไปนี่ใครอยากจะได้ลูกแล้วก็เวลาเห็นต้นไมใ้ใหญ่ๆก็ไปบนก็นแล้วกัน บนบอกว่าอย่าทำส ก, การะใหญ่ไม่รู้ใหญ่ยังไงก็ลองทำมันส่งเดชท่านได้ลูกแล้วก็ทําถวายท่านเป็นอันว่าการบนบานสายกล่าวของท่านมหาเศรษฐีมีผลหลังจากที่ท่านบนมาแล้วปรากฏว่าไม่ชาปัญญาของท่านก็ต่างขันเมื่อคนไม่มีลูกปรากฏการมีลูกมีขึ้นก็ดีออกดีใจ ให้พยายามรักษ า, า, าครนเขา MANDA เป็นอย่างดีอปัญญา น, ะานาั้มนมันจะ m a n d า MANDA เขได้มารดาของลกูกเหลิกไปนะ่ะ <c oughs> ให้บริหารครันคื อ, อรักษาเป็นอย่างดีกรมความว่าปัญญาตั้งครันแล้วก็ยกให้ปัญญาเป็นเป็นนายแต่ตอนนี้อย่าทําอะไรรักษาลูกไว้ให้กล่าวว่าพอครบสิบเดือนนางก็ทอดบทคนหนึ่ง เป็นอนุขอดบุตคนแรกท่านมหาเศรษฐีให้นามว่าป่าละทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่ต้นไม้เป็นที่อาศัยให้เกิดบุตรป่าละนี่ครับรารักษาให้นามว่าต้นไม้รักษาในในการต่อมาปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกผู้ชายเป็นกันคนลูกคนแรกก็ลูกผู้ชายนะครัว่าบุตรคือลูกผู้ชาย เมื่อลูกคนที่สองเกิดขึ้นมาถ้ามาหาเศรษฐีก็ให้ชื่อวบาร์นเหมือนกันป้าละหรือว่าภาษาไทายระบาลจิงขึ้นหนนามลูกคนแรกว่ามหาบานในขึ้นหนานามลูกคนที่สองว่าจุลบาลเมื่อลูกทั้งสองโตขึ้นมาแล้วปิด า, ามารดาก็ปรารถนาจะปลูกพันลูกให้มีความรักในการความเป็นผูยย้ใหญ่ คือไม่อยากใช้เจ้าชู้เทียบเตียนเที่วเตร น, นอกบ้านเกินไปเหมือนพอ่อยังได้หาพัญญามาให้ลกูกนี่เรื่องขอเรื่องสร้างความทุกข์ในการมีลูกเข้าใจว่าดีนี่ทุกจากการมีลูกมัมีขนาดไหนคนไม่มองเห็นทุกข์ก็ช่างเถอะตอนนี้ถ้ายัาไม่กล่าวถึงก็ว่าไปเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงตรัสถ้ากล่าวว่าในการต่อมา มารดาคือผู้เป็นมารดาได้ถึงอาการรักยยาคือตายวงญาต์อ่ะบินดาก็ตายมารดาก็ตายเนี่ยบรรดาวงญาต์ก็เปิดสมบัติทั้งหมดหมายความว่าบรรดาญาติทั้งหลายจะได้มอบหมายสมบัติอันเป็นส่วนของบิดาและมารดาของมหามหาบาลและจุนบาลญาติฉันปันส่วนแบ่งกันให้โพอิีพอดีแม่อคติ แจงกล่าวว่าในการต่อมาสมัยไหนละ่ะองค์สุเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในโรงสาวัตถียี่ิบห้าพรรษาเพาข้อตั้งไ ว, ว้ยอย่างนี้ว่อในสมัยนั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปแล้วจุแสดงพระธ ร, รรมเทศนาแก่บนตราท่านพุทธบริษัท เสด็จไปตามระดูลําดับหมายความว่าเหมาะที่ไหนไปที่นั่นคุณมีศรัทธาที่ไหนไปที่นั่นทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารที่ธนานนาฬิบิลิกาเศรษฐีสร้างสวายโดยการบริจาคทรัพย์นับได้สิห้าดิศสี่โกศแหมพระเชตวันนิตแมมอีตาเจ้าเชแกมันกระดูก ให้อาดิพานิกาเศรษฐีจะไปซื้อที่ของแกแกบอกว่าเอาเงินมาเกลี่ยที่เราไปให้เต็มเอาเงินบาทมาเรียงให้เต็มต้นไหนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เสมอกันซื้อที่ของแกด้วยเงินจำนวนนี้เท่านี้ให้เต็มพื้นที่รวมทั้งเจ้าวิหารด้วยราคาทั้งหมดห้าสิบสี่โกด ละไว้พระพุทธเจ้าองค์ทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรณ์ทางพระนิพพานตอนนี้พระบาลีได้กล่าวว่าแท้จริงองค์สมเด็จระสมาสมพุทัเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาอยู่ที่นิโครธารามหาวิหารเหมือนบนิโครธารามหาวิหารนี่อยู่ในกรุงกระบิ่นะพัด <c oughs> ที่บรรดาหมู่เขไปอยู่ดีญาตทั้งหลายาพากันสร้างสวายท่านเสด็จจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพีงยงพรรษาเดียวเท่านั้นแต่ว่าทรงเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ประเทตะวันมหาวิหารที่ท่านอนาดนานานิวิิกาเศด็จีสร้างถวายสิบเก้าพรรษาคําว่าสิบเกา้าพรรษานี่มันจะอยู่ตลอดการสาิบเก้าพรรษาไปไปมามาน่ย นับแล้วเข้าประจำอยู่ในพระเทวันมหาวิหารสิบเ้ารรษาแล้วก็เสด็จจำพรรษาที่บุพารามที่นาวิสาขามหาวบสสิกาบริจาคทรัพย์นับได้ยี่สิบเจ็ดโกศสร้างถวายจำพรรษาที่วิหารนี้หกพรรษาเอาเฉพาะเวลาที่จำพรรษานอกพรรษาเดินผ่านไปผ่านมาพักบ้างนี่ไม่คิด และก็ทรงอาศัยที่แต่กูนทั้งสองผู้เป็นใหญ่โดยธรรมคือนาวิสาขาก็ดีนาวินิกาเสถียรก็ดีถ้าว่าทรงอาศัยที่ผู้เป็นใหญ่โดยธรรมไม่ใช่เป็นใหญ่โดยฐานะคือมีคุณธรรมดีทั้งสองท่านนี้เป็นพออระอเดียรเจ้าเสด็จประแตกแล้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี เป็นที่โคจรละคามคําว่าโคจรละคามก็หมายความว่าไปแล้วก็พักโคจรแต่ว่าไปเอาเป็นที่อาศัยในที่ในเมืองสาวัตถีไม่ใกล้ที่ประทับของพ ร, ระเจ้าประเสนาที่โกศลยี่สิบห้าปีศานี่ท่านยังไม่ได้กล่าวทิงเรื่องท่านบอกที่พระพุทธเจ้าทรงประทับว่าประทับที่ไหนมากที่สุด นี่ต่อมาสำหรับสมบารีที่กล่าวว่าทั้งท่านานาริพินิกาเศรษฐีก็ดีนาวิสาขามาหามบาสิกาก็ดีไปสู่ที่อุปถาคา่าอุปถาแปลว่าบารุงไปสู่ที่บารุงพระองค์สมเด็จตัสมารสัพพิเจ้ยาวันละสองครังร้งเป็นประจำคือเมื่อจะไป เวลาจะไปท่านไม่มีมือเปล่าเมื่อเกรงไปว่าบรรดาวิสูจนุ่มลรสสมณะทั้งหลายจัดแลดูมือของเราเพราะว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งสองในเวลาที่มาเยี่ยมพระเยี่ยมเจา้ามาไหว้พระพุทธเจา้ามีอะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าจะัยนั้นหายกินยากเมื่อไปภายหลังในเวลาก่อนอาหารท่านบอกว่าไปเวลาภายหลังแต่เวลาฉันอาหาร หลังฉันอาหารนะท อ, อเดเหลียวก่อนเมื่อไปเวลาก่อนชันอาหารได้คนถือของเคี่ยวของฉันที่ไปอาหารไปด้วยเมื่อเวลาหลังอาหารจหมายถึงว่าหลังเที่ยงไปแล้ว mm hmm. ก็คนถือปันจเพสัตหล่อคนนั้นปัญจักเพสัตคือเพสัตห้า mm hmm. ได้แก่ในใสในข้นน้ามันน้าพึ้งน้ําอ้อยเอาไปด้วย แล้วก็มีน้ำอัฐบาลคำว่าน้ำอัฐบาลอัฐปานะแป็นว่าน้ำแปดอย่างที่พระจะพึงฉันได้อันนี้เขาบรรดาปิสุทธิ์สมณีทั้งหลายจําไม่ได้นะ <c oughs> และบรรดาเวชาชนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็เหมือนกันจําไม่ได้วยว่าจะเอาน้ำที่ขันต่างๆมาถวายพระทรงเดชใ น, นพระธนญป็นนำบัตร น้ำอัรรมบานแปดอย่างอธะแปลวแปดปานะแปลว่าน้ำนีปานะบาณะก็ได้แปลว่าน้ำแปดอย่างคือหนึ่งน้ำมะม่วงหนึ่งน้ำชมพู่หรือว่าน้ําว่านหนึ่งน้ำกล้วยที่มีมเมล็ดก็ได้กล้วยอะไรกล้วยอะไรก็ได้ที่มีมเมล็ดหนึ่งหรือว่าน้ํากล้วยที่ไม่มีเมล็ดหนึ่งน้ำมะซางหนึ่ง น้ำลูกจันทร์หรือว่าน้ำองุ่นหนึ่งน้ำเงาบนหนึ่งน้ำมะปรางหรือว่าน้ำลินกีหนึ่งอย่างนี้เดียวน้ำอัตบานอย่างนี้เวลาคั้นแล้วก็อย่าให้เนื้อมันติดลงไปเอาแต่น้นําแล้อผสมกับเกลือหรื อ, รอน้ําตาลให้มีรสหวานหวานรสเค็มเค็มผสมด้วยก็ได้ถ้าเป็นสม้มถ้าเป็นส้มก็ต้องเป็นส้มเขียวหวานถ้าขนาดส้มโอไม่ได้ เงีน้ำมะพร้าวนี่ฉันไม่ได้น้ำสมโอฉันไม่ได้ระวังหันดีพระฉันไปอามัดปาจิตีทุกคำกลืนและเล่าต่อไปว่าในเคหเสถานของท่านอสอนนั้นเขาแต่งตั้งอาสนะไว้บรรดาเพื่อบรรด า, าพระวิสุทธสงฆ์ทั้งหลายที่จะเข้าไปฉันพระตาหารแห่งละสองพันรูปเป็นนิจการ เมืม่อไปสูรูปใดประทนายจะฉันสิ่งใดจะเป็นข้าวหรือเพศัตของนั้นก็มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำให้พร้อมฉันได้ตามอธิยาใสเป็นว่นเบื่อจากคุณบาลคงจะไม่ไปไหนเวลาก็จะหมดเพิ่งกล่าวต่อไปว่าในท่านดังสองนั้นถ้าอนายวินาิบินากาเสฐี ไม่เคยทูลถามปัญห า, าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแมย้แต่เพียงครั้งเดียวไม่เคยถามถ้าพระพุทธเจ้าจะเทศก็เทศเองท่านกล่าวว่าด้วยท่านคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพระพุทธเจา้าผู้ทรงละเอียดอ่อนหนึง่งไม่ก็ทรงเป็นกษัตริรร ย, ย์ผู้ละเอียดอ่อนหนึง่ง เมื่อเวลาที่จะทรงแสดงธรรมเทศนาแก่เราด้วยทรงถ้ามีพระพุทธดําริว่าก็หาำบนดีผู้มีอุปการะได้แกมากแก่เราดังนี้และเราถามปัญหาท่านก็จะต้องเทศเป็นการลําบากไม่เป็นการสมควรและไม่พยายามทูลถามปัญหาด้วยความรักในองค์สมเด็จตั้งสมมาสมพุทัเจ้าเป็นอย่างยิ่ง นี่จำไว้เลยนะว่าคนที่เขารักกันเขาไม่จุกจิดจุี่ดูเจริยาของ่านมหาเศรษฐีเพื่อนาดิบิกาเศรษฐีไว้ทุกคนฟังแลง้วก็จาไว้จำแล้วก็ปฏิบัติตามไม่เจริยาของคนดีอ่ายองค์สมเด็จพระจินนาสีพอท่านมหาเศรษฐีนั่งแล้วองค์สมเด็จพระปทีปแก้วก็ทร ง, งดำึิว่า เศรษฐีผู้นี้รักษาเราไว้ในที่ที่ควรรักษานี่ฟังให้ดีนะจําไว้ด้วยคนบางที่เขาเป็นครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเขาเป็นครูบาอาจารย์ของธรรมหาเศรษฐีท่านคิดอย่างนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นกพระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์เขาคิดอีกแบบหนึ่งว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ที่ควรรักษา เมื่อเหตุว่าเราได้ตัดทิสะขก็เราอันประดับบรรดาเป็นแล้วฟักดวงตาของเราออกแล้วชำระชำละเนื้อหัวใจของเราออกแล้วละลูกเมียมันเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบําเพ็ญบารมีและเพนนี้อยู่เท่าเสียสงไข่กับแสงกับยิ่งที่จะได้เป็นผู้ได้เจา้า ก็บำเพ็นมาแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่บุคุลอื่นเท่านั้นเศรษฐีนี่รักษาเราไว้ในที่ในที่ที่ไม่สมควรรักษาหมายความว่าท่านรักษารักเกินไปไม่กวนใจคือไม่ไม่ไม่ไม่สนไม่ไม่ถามอยากจะฟังเทศน์เหมือนกันแต่ไม่ถามทรนดมิร้าฉะนั้น ก็เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงฉันพระตาหารนะถึงเวลาสมควรเมื่อเสถีมาท่านก็เทศเองโดยที่ท่านมหาเสถีไม่ต้องมีมนท่านเทศท่านมหาเศสฐีก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีทรงปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติ ละนรไดีกล่ามาบอกว่าพระพุทธเจา้าทรงตัดศรรีรษะที่บรรดับแลว้วคนดีทรงพักดวงตายคนดีชำละเนื้อหัวใจของเราแล้วก็ดีสลละโลกสลละเมียเสมอด้วยชีวิตก็ดีเพื่อบูชาวความเป็นพระพุทธเจา้าหมายความใาการปรารถนาพุทธภูมินมันดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเขาทำกันอย่างนี้ไม่ทาย่อเย่อแยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต่อเสียสละมาะมา การี้องสำเด็จพระผุ้มีพระพายเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อปรารถนาจะบรรลุอภิเศษส ม, มาสัมปุทิยานได้เกินรู้ทจเจ้าทรงเข้าบุคคลอืน่นนี่กล่าวต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเวลาลีนิดหนึ่งท่านบอกว่าครั้งนั้นได้กรุงสาวัตถีมีคนประมาณเจ็ดโกดอันนี้ไม่รับรองคำว่าโกดของท่านนี่คงจะไม่ใช่สิบล้านเสมอไปในหมู่คนเจ็ดโกดนั้น ต่างคนต่างได้ฟังมาธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จตมมาสุภุตธเจ้าแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าเช่าห้าโกดยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณสองโกดอย่าลืมนะโกดไม่ใช่สิบล้านเป็นประมาณของบาลีคนนั้งหลายเหล่านั้นจิตของพระอริยสาวกมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือ ธรรมาริยาสาวกตอนนี้หมายถึงวันบรรดาพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยเจ้ามีกิจวัตรสองอย่างคือในการก่อนในเวลาอาหารทันอาหารเชา้าก็พากันนทานทานันนาเอาของบรรดไว้ถ่ายแก่พระพุทธเจ้าและประสงค์เวลาภายหลังฉันอาหารแล้วคือหลังเที่ยงแล้วก็มีมือถือเครื่องเซการบูชามีของหอมมีระเบียบดอกไม้เป็นต้น ใช่คนในถือไปถือไปเธ อ, อถือทยาธรรมมเถ้ยบาบาลีเป็นบายู่ๆเนาะนั่นเรกว่ามีระเบียบของหอมเน ด, ดอกไม้ทุกเทียนเป็นต้นแล้วก็มีเพศัตวืเอนน้ำอธิบาลนเป็นต้นเพื่อไปถวายพระก่อนฟังธรรมเสมออันนี้ก็เพื่อปรารถนาในการฟังธรรมอร บ, บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทุกท่าน สำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้มองดูเวลาก็หมดสล้วก็ข อ, ข อ, อุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิีพัฒนาบงคคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดิ บ, บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี